อันนี้คือการแต่เงีนได้ฟั่งเป็นหัวใจของการศึกษาหรือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาขวายใดขันห้าว่ระเ ด, ด็นเงี้ยแต่ฟั่งในเข้ า, ขาจึงหูใดทังไหนสุตตะไมยะปัญญาภาวนามยะปัญญาและจินตามไมยะปัญญาภาวนามยะปัญญานะีปัญญาจะเกิดคือมาใดก็ต้องอาศัยการได้เงีนได้ฟังนนงดดฟ่งเมื่อแต่เงี้ยแตฟั่งแล้วต้องเอาบ้าไข่ข้รพบทวนไตรตรองเหตุและผล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 เออเอาถ้ำคําสอนนไปเบอกปัญจวัคคีย์ทั้งหาก็ฟังวันนึงศึกษาวันไปตาอกกัางใจฟังฮะทีแรกฟังทีแรกก็บอกเข้าใจได้หันหลังหามันไปเออหาว่าพระพุทธเจ้านี่ยได้สําไรต๊อกมากับบ้าสั้นละ่ะพระพุทธเจ้ากลัวจะเกลียกอมให้ฟังโกรธธัญญาเออปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเธอต้องจงตั้งใจฟังฮะจงตั้งใจฟังธรรมของเราเราได้ตั้จรู้แล้วนะ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 ปัญจวัคคีย์ตั้งหากอะไรโง่องเออแมนอีริบบอ้ค่อยได้ยินอิริคำเลยก็เลยหันหนามากตั้งใจฟังพระพุทธเจ้าก็เลยเทศเมาให้ฟังเทศให้ฟังธรรมจักกัปปวัตนสูตรนะที่เป็นสูตรแร ก, กเลยว่านออไปปัญจวัคคีย์ตั้งหากตั้งใจฟังอผลที่สุดก็ได้พระอัญญาโขนทัานยากไ ด, ได้สําเร็จดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาดา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 เออหาท่านคนเท่าจะอยู่น้ำกันใดต้องมีการเสียสละถ้าว่าคนอยู่น้ำกันว่ามีการเสียสละว่มีการหาท่านโลกทั้งโลกอยู่น้ำกันอยู่อะไรเนี้ยคอต้องมีเสียสละพ่อแม่ก็เสียสละให้ลูกเออเกิดลูกเกิดมากก็ต้องเสียสละหมดทุกอย่างให้ลูกเข่าน้าผู้ชนาอาหาร อ, อความลูกความฉลาดพ่อแม่ออมอบหมายให้ลูกต่อมาลูกได้รับ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 อามิสถาท่านก็คือให้เขาให้ท่านโภชนอาหารวิทยาท่านก็คือการให้ความรู้ความฉลาดาวิชาอาชีพที่ตัวเองรู้แล้วก็แนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ไปด้วยฮะยังเข้ากีดยางเป็นนึงสีแล้เขาก็บอกเออสอนวิธีกีดยางให้ผู้อื่นไอันนี้เป็น ว, วิทยาท่านฮะเวลาเห็ดให้เขาโพดปลูกเขาดำหน้านี่เฮสอมลดสอนราบเ่ย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 เป็นอ ม, มตะถาดเป็นอ ม, มตะธร้ำ ห, หูจักด้วยพระองค์เองว่าตายแล้วเม่กเกิดอีกปาฏิเขาซูลในผ่านแล้วะสิ่งที่ให้เกิดชําระออกแล้วหมดแล้วนี่แหละนี่แหละพ่อแม่คู่บ่ายจานหลวงปูหลวงตาเห่าเป็นก็นได้สําเร็จมักสาเร็จผลอย่างทีหลวงปูพ่อแม่คู่จานหลวงปูหลวงตาเห่าได้สำเร็จอย่างทีพระพุทธเจ้าเพป่นในสอนไว้ทุกอย่าง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 เมือ่อใดยืน่นใดฟังเลยนําไปประพฤติปฏิบัติไหวพระรักษาศีลนัน่งสมาธิภาวนาทําจิตใจให้สงบเลยอาหารใจอาหารกายก็อย่างหนึง่งอาหารใจก็อย่างหนึงงน่งอย่าให้ขาดนะอาหารกายก็อย่าให้ขาดอย่าให้ขาดตก ป, ปกพ่องส่วนอาหารใจก็อย่าให้ขาดตก ป, ปกวงไปด้วยกันพวกเขามีแต่ความสุขแล้วทีนี้มีแต่เล็งแต่หาวัตถุอย่างเดียวะขาดอาหารทังด้านจิตใจกับวถีได้มีแต่ขั้นว่า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 คันขอใอ้พวกเขานะอย่าให้ขาดตกปกค่องทั้งสองยางนั่นอ่ะขห้เาจะมีแต่ความสุขนะไม่แต่หารทั้งกายยางเดียวก็ถถกได้การพูดกันแนแนว แ, แสดงถ้มวันนี้ก็เห็นวาสมควรนะขอจุติรวยอำนาจคุณภศษีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระรรำพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มค้องขอให้พวกเข้าประสบแต่ความสุขความเย็นใจ